ที่มีโอกาสได้มาร่วมนมัสการกับพี่น้องทั้งหลายในการนมัสการรอบบ่ายขอสันติสุขความรักพระกรุณาที่คุณจากพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระยานบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอสิ่งที่จะขอกล่าวในบ่ายวันนี้ตามหัวข้อก็คือว่าดีแบบครบองค์ พระธรรมที่จะให้เราทั้งหลายได้พิจารณาร่วมกันมีอยู่สามตอนด้วยกันในตอนแรกปรากฏอยู่ในพระธรรมโยนบทที่ห้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบปตอนที่สองในพระธรรมลูกาบทที่สิบเจ็ข้อที่สิบเอ็ดจนกระทังถึงข้อที่ส9บเกและตอนที่สามจากในพระธรรมสองโครินบทที 2, ่สิบสองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบ สิ่งที่จะกล่าวในวันนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องบริบทมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของเราแล้วก็เรื่องที่จะให้เราเห็นถึงประเด็นที่อาจจะเป็นปัญหาของเราทั้งหลายทุกๆคนก็คือเรื่องเกี่ยวกับ s e n ซิเบหรืออ n s e n s i ิเบแล้วก็มีเรื่องของความปวดที่เป็นสิ่งที่บันทรนชีวิตของเราทั้งหลาย ก่อนที่จะพิจารณาในรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในพระธรรมหรือเรื่องเดินที่ผมเตรียมมาก็อยากจะแนะนำพื้นูมิเบื้องหลังของผมเองคือผมเป็นลูกหลานของจีนอพยพที่มาจากโซ่เทาคุณตาคุณยายแต่งงานกันอายุ 16-17 แล้วหลังจากมีครอบครัวแล้วแล้วต่อมาท่านก็มีลูก ป, ประมาณสิบคน ก็ได้อบยพมมาที่ประเทศไทยเมื่อเกือบหนึ่งรอยปีที่แล้วคุณพ่อผมตามมาทีหลังตอนที่ท่านอายุสัก2ี่สิบกว่าแล้วมาพบกับแม่ของผมแล้วก็แต่งงานกันคุณตาหรือแม่ของคุณพ่อมีปัญหาทางด้านสุขภาพคือท่านมีเส้นเลือดในสมองที่มีความดันโลหิตสูง แล้วในที่สุดเมื่ออายุประมาณ65สบห้ปีเส้นเลือดในสมองแตกหรือเป็นโ t o k e ท่านพักอาศัยอยู่ในบ้านโดยไมโดยที่ไม่มีใครรู้แล้วท่านก็สลบไปแต่กว่าที่ใครจะไปพบมันก็สายขึ้นไปแล้วแลวท่านก็ได้เสียชีวิตไปตอนที่ท่านอายุห5ส้าปีคุณภรรยาของคุณตาหรือคุณยายตาใหญ่ยาย มีปัญหาทางด้านสุขภาพก็คือว่าความาในเรื่องของอโลหิตในเลือดสูงมากเป็นเรื่องอมีโรคเบาหวานแต่ที่จริงไม่ใช่เบาหวานเราหนักหวานมีหวันหนักมากในตัวเองและในที่สุดเมื่ออายุ65ปีก็เสียชีวิตเชน่นเดียวกันขณะนี้ผมมีอายุาจะย่างเข้า64ปี ผมเกิดในปีหนึ่งเอยห้าสิบาหรือพศสองพสี่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยอายุขนาดนี้ของผมตอนนี้เ็าเท่ากับคุณตาคุณยายที่อยู่ในช่วงปลายชีวิตและอีกไม่นานก็จะจากโลกนี้ไปนอกจากนั้นผมมีคุณหน้าซึ่งเป็นลูกของคุณตาคุณยายบางท่านก็รับส่วนที่เป็น เบาหวานรับส่วนของความดันโลหิตสูงบางคนเป็นเบาหวานอย่างเดียวบางคนเป็นความดันโลหิตสูงอย่างเดียวแล้วก็บางคนเป็นทั้งสองอย่างในตัวเองเออจนในที่สุดจะมีแล้วก็มีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไปของเขาไตาเสียายเสียแล้วเมื่อไตเสียไม่มีตัวกรองก็ต้องไปฟอกเลือด สองสามคนที่ต้องฟอกเลือดเป็นเวลาสิบปีแล้วในที่สุก็เสียชีวิตไปผมมีคุณพ่อที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเมร็งที่ตับตอนนั้นท่านอายุ40ปีแล้วก็โตผมเองอมีอายุ11ปีคุณพ่อจากพวกเราไปเมื่อกว่า50ปีที่แล้วส่วนผมเองนับว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงพอสมควร แต่เมื่อช่วงที่ผมรับใช้อยู่ที่กิจกาวัฒนาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วคือเมื่อตอนที่มีอายุ40ปีผมเริ่มต้นรู้สึกมึนงงแล้วทีหลังต่อม า, อาก็ได้ค้นพบว่าผมมีเนื้องอกอที่ก้านสมองนะฮะประมาณ3ถึง4เซนหรือ5เซนแล้วก็ในที่สุดก็ได้มีการผ่าตัดเนื้องอกออกแล้วก็การผ่าตัดครั้งนี้ทาให้สุขภาพผมโสมมาก แต่ผมมีโอกาสฟื้นตัวกลับคืนมาแม้ว่าผมจะรับการผ่าตัดอย่างไงก็แต่แต่ผมก็สู้แล้วก็พยายามที่จะฟื้นฟูสุขภาพแล้วหาทางที่จะไปเรียนต่อปริญญาเอกผมก็เรียนจนจบเมื่อ mm. ตอนที <aker> ่ผมมีอายุหกสิบปีผมมีปัญหาเรื่องปวดปวดแขนมือนี้ไม่มีแรงที่จะ ก, กรรมอะไร แล้วในที่สุดเมื่อมีการทำเอ็กซเรย์หรือ MR ก็ค้นพบว่าหมอรองกระดูกที่คอของผมอย่างน้อย3ข้อหมอรองกระดูกเสื่อมไปกดทับเส้นประสาทเมื่อ3ปีที่แล้วผมได้ผ่าตัดเปลี่ยนหมอรองกระดูกสองชิ้นกระดูกที่ c 4สีถึงแต่หลังจากนั้น1ปีเริ่มปวดอีกเราค้นพบว่าข้อกระดูกลงมาซึ่งเป็น c 6ห7ถึงนั้นเสื่อมกดทับเส้นประสาท เมื่อปลายปีที่แล้วผมเข้าผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นผมมีการทำ neck fusion หรือการเชื่อมอคอด้วยกระดูกกระดูกบริจาคนะฮะหรือกระดูกของคนตายมาอยู่ที่คอของผมแล้วก็ดามด้วยเด็กไตตอนเนีย้ยผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเขา่าผมเคยซื้อรองเท้าคู่หนึ่งใส่หลายปีแต่ต่อมาเริ่มรู้สึกว่าปวดเขา่าแล้วปวดจริงๆงอเขาก็ไม่ได้นั่งยอ ง, ยองๆก็ไม่ได้ แต่วันนี้คืนนี้คิดว่าน่าจะลองเปลี่ยนรองเท้าแล้วผมเปลี่ยนรองเท้าใส่คู่ปัจจุบันเนี้ยยี่หอเอ่อ ure, เอ่อซึ่งเป็นรองเท้าที่เหมาะเป็น working shoe แล้วหลังจากที่ใส่ได้สองสามวันอาการปวดก็ทุเลาลงจนในที่สุดเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ปวดอะไรเอ่อผมสันนิษฐานว่าที่ปวดเพราะเนื่องจากว่าผมมีการเดินแบบเอ่อเท้าแบบเงาะ เอยียงแบบนี้แล้วก็สีที่ส้นจนในที่สุดเนี่ยทำให้ความสมดุลของเท้านี่ไม่ดีเลยทำให้มีปัญหาปวดที่เขา่าแต่เมื่อได้รองเท้าดีเท้ากลับคืนอย่างนี้ก็หายปวดได้เพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับอะไรที่เราสวมใส่ก็จะมีผลต่อสุขภาพของเราเองผมมีลูกสาวหนึ่งและผมมีลูกชายหนึ่งและลูกชายก็เชื่อมาก แล้วทั้งสองนี่ต่างโตวันโตคืนหมากที่พูดถึงนี้ก็คือ p o s t e เตตผมมีเอ็นล่าช์โพสตเตตคือล่าตอบรูปหมากของผมโตนอกจากนั้นผมมีคุณแม่เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยรับการผ่าตัดเอ่อมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่หลังจากที่ตัดเอาส่วนหนึ่งของลำไส้ซึ่งมีเนื้อมะเร็งหลังจากนั้นเมื่อเชื่อมต่อคุณแม่ก็ปฏิเสธที่จะทำเเคม 20ปีผ่านไปคุณแม่ก็มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงไม่มีเชื้อมะเร็งกับกับมาอีกผมมีพี่ชายที่ป่วยพราะมีมะเร็งในต่อมน้ําเหลืองแล้วก็รักษาหายจริงจริผมเล่ามาเยอะแยะเกี่ยวกับเพื่อนภูมิเบื้องหลังของผมเนี่ยผมอยากจะชียรเห็นว่าไม่มีใครหลอกไม่มีใครหลอกนอกจากอดาดัมกับพระเยซูอดาดัมหนึ่งอดาดัมสองที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แบบ เราทุกคนต่างมีปัญหาทางด้านสุขภาพเรามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ขาดบางสิ่งบางอย่างที่เกินขาดขาดเกินเกินแต่นี้สิ่งที่เราจะคำนึงถึงว่าเราจะมีชีวิตเช่นไรต่อไปมันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับว่าเราอยู่ในสภาพดีแบบครบองค์ครบองค์คาว่าครบองค์นี่หมายความว่าอะไร ครบแปลว่าท้วนหรือเต็มคาว่าองค์แปลว่าส่วนประกอบนั่นหมายความว่าหากคุณมีส่วนประกอบที่ท่วนหรือครบแต่คุณก็สามารถที่จะฟัง์ช่นได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าพิจารณาถึงคาที่โลดทุง่งครบองค์จริงๆแล้วบางที่มันไม่แน่นะว่าจะต้องมีส่วนประกอบที่ครบ หรือส่วนประกอบที่ท้วนหรือส่วนประกอบที่เต็มได้เพราะอะไรเพราะว่าในแง่ของเราทั้งหลายที่เป็นอนุชนพี่น้องในที่นี้มีใครเป็นอนุชนสภากริจักไหมครับหรือเคยเป็นอนุชนสภากริจักรมีไหมครับหรือเป็นอนุชนของคริจักรวัฒนามีไหมครับมีไหมฮะคงมีที่นี้สิ่งหนึ่งซึ่ง เป็นประสบการณ์ของการเป็นอนุชนอนุชนในพระคริสต์มีเรื่องหนึ่งที่จะต้องปลุกฝังก็คือการดำเนินการอะไรก็ตามจะต้องดำเนินการตามมติของคณะกรรมการแต่ทนี้คณะกรรมการเนี่ยจะมีมติอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องให้กรรมการหรือคณะกรรมการเนี่ยมาร่วมประชุม แล้วทีนี่กติกาของการร่วมประชุมนั้นเราจะเปิดประชุมได้ต้องครบองค์ถ้าสมมุติว่ากรรมการมี20คนเราตกลงกันว่าจะต้องมออีผู้ที่เป็นกรรมการเนี่ยมาประชุมมากกว่าครึ่งหนึ่งนั่นหมายถึงว่า11คนเราเริ่มประชุมแล้วเราสามารถที่จะลงมติและมติที่เราลงนั้นจะมีผลผูกพันต่อคณะหรือต่อองค์กรนั้นนั้น ก็จะได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นเรื่องของครบองค์นั้นไม่ได้หมายความว่าคณจะต้องมีทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกันแต่ให้เป็นไปตามที่กำหนดของระเบียบหรือกติกาหากเราเป็นสมาชิกของกิ่จักรวัฒนาในปีหนึ่งหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งอาจจะสองครั้งที่มีการประชุมสมาชชาหรือประชุมสมาชิก เรื่องของครบองค์ของขึจากนั้นขึ้นจากคงไม่สามารถได้สมาชิกเกินครึ่งมาร่วมประชุมแต่เขาอาจจะกำหนดว่าให้มีจำนวนเกินกว่า 25% หเรซหรือบางแห่งอาจจะบอกว่ามีสมาชิกเกินกว่า 10% เซก็สามารถเรียกว่าครบองประชุมสามารถที่จะทำหน้าที่สามารถที่จะฟังชั่นสามารถที่จะลงมติที่จะผกพันต่อ องค์กรหรือต่อคณะได้ทีนี้ในสิ่งซึ่งออผมอยากจะให้เราพิจรารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของเราทั้งหลายสิ่งซึ่งเป็นมูลฐานสาคัญว่าเราจะไปอยู่ในสภาพหรือลักษณะที่ครบองค์อย่างไรบ้างเพราะอะไรถ้าสามารถไปถึงลักษณะของครบองค์แล้วเนี่ย เราจะฟังก์ชินได้เราจะทําหน้าที่ได้อย่าไปฝันนะฮะอย่าไปคิดถึงว่าโอเคคุณจะต้องมีสุขภาพเพอร์เฟคต์ร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องคุณเห็นผมพูดปักเบี้ยวนะฮะแต่ภาษาผมไม่เบี้ยวความพูดผมไม่เบี้ยวแต่ผมสามารถที่จะให้ความหมายที่ดีมีประโยชน์ได้เพราะอะไรเพราะผมสามารถจะฟังก์ชินเลยอาศัยการพูดของผมที่พี่น้องฟังเข้าใจได้ใช่ไหมฮะ แม้ว่าปากผมเบี้ยวแต่ว่าคำพูดของผมคงจะชัดเจนพอสมควรใช่ไหมฮะในเรื่องนี้ก็คือไม่เป็นไรเราจะอยู่ยังไงหน้าตายังไงไม่สำคัญแต่สิ่งซึ่งเกี่ยวข้องคืออะไรคือฟัง์ช่นได้หรือทำหน้าที่ได้ดังนั้นในแง่ของสิ่งซึ่งเรียกว่าดีอย่างครบองค์นั้นก็คือหมายถึงว่า ให้เราอยู่ในลักษณะที่ดีหรือเวลในแง่ที่ว่าสามารถทำหน้าที่หรือฟังชันได้ทีนี้มาฮะมาดูในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งซึ่งเรียกว่าดีหรือเวลนั้นาการมีชีวิตที่ดีหรือเวลแบบครบองค์นั้นอาจาเป็นลักษณะที่ไม่สมประกอบนะไม่สมประกอบหรืออาจาไม่อยู่ในสภาพท้่นเต็ม ในสายตาของคนอื่นหรือแม้แต่ของตนเองนะฮะคุณสามารถเป็นคนที่อยู่ในลักษณะที่ดีอย่างครบองค์แม้ว่าคุณป่วยบางอย่างในตัวเองแม้ว่าอะไรหลายอย่างของคุณเองนั้นอยู่ในลักษณะที่จะต้องจะต้องให้รักษาถึงจะมาอยู่ในสภาพที่เราเรียกว่าดีมันไม่จำเป็น จึงอยู่ในแง่ของคำว่าดีหรือเวลมักจะเป็นหัวใจสำคัญที่คนส่วนใหญ่มักจะมีการทักทายกันในตอนแรกฝรั่งสนใจอีกฝ่ายหนึ่ง How are you คุณสบายดีหรือเขาก็อยากจะได้ยินได้ฟังการตอบกลับมาว่า Well fine well ดี Thank you very much ในการสนทนาของฝรั่งที่มีการโต้ตอบต่อกันแล้วกันพวลาที่เราตั้งคำถามถามเขาฝรั่งหลายคนมักจะติดคำหนึ่งแหววคือ well คือคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับว่าสิ่งที่จะคิดคำอธิบายหรือคำชี้แจงนั้นเขาต้องมัน่นใจในลักษณะที่ว่ามันดีออพอควรมีคำสองคำ ที่เกี่ยวข้องกับความหมายของสภาพดีหรือเวลก็คือ Q กับคำว่าคิวนะฮะค e ว uh, ซียอาควคำว่า Q หรือ Curing คือการรักษาโรคหรือรักษาความป่วย Q เป็นชนิดคำที่เป็นทั้งนาวหรือวอ นะฮะกริยากับคำนำคิวเกี่ยวข้องกับ something done to the body หรือทำบางสิ่งบางอย่างที่ร่างกายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าคุณไปหาหมอเพื่อที่ให้หมอคิวเออก็คือหมายถึงว่าหมอจะทำบางสิ่งบางอย่างกับร่างกายของคุณทีนี้ในสิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับว่า Do something or done something to the body มันมีขั้นตอนมันมีวิธีการต่างๆเช่นมีการให้กินยาใช่ไหมฮะมีการฉีดยามีการใช้หลังสีมีการผ่าตัดหรือมีวิธีการหรือขั้นตอนการรักษาหรือโพสิชั่นต่างๆเช่นฝังเข็มหรือทำ c h i r o p r a c จัดกระดูกหรือ การใช้ยาหรือการรักษาที่เกี่ยวข้องกับว่าทําบางสิ่งบางอย่างกับคนนั้นยาที่ว่านี้อาจจะเป็นแผนโบราณอาจจะเป็นแผนปัจจุบนันหรืออาจจะเป็นแผนอานาคตก็ได้หรือบางทียาที่ใช้ในการรักษาอาจจะเป็นยาที่มนุษย์ต่างดาวมันกระซิบอกหรือว่าได้จากที่ไหนสักแห่งหนึ่ง ซึ่งคิดว่าสารหรือตัวยาเหล่านั้นสามารถที่จะมาคิวมารักษาความป่วยไข้ให้หายไปยาฝรั่งก็มักจะได้มาจากอะไรมาได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีหรืออาจจะมาจากในแง่ของสมุนไพรแต่เราพบว่าสิ่งซึ่งเป็นปัญหาของยา ไม่เพียงแต่ว่ามันสามารถรักษาแล้แต่ยาหลายตัวทีเดียวที่มีผลข้างเคียงคือกินยาอย่างนี้แล้วก็ทำให้เกิดผลข้างเคียงบางสิ่งบางอย่างบางอย่างก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จะเป็นปัญหาตามมาอย่างเช่นบางคนอาจจะพยายามกินยาลดคอเลสเตอรอลแต่ตามแต่ก็มีผลข้างเคียงตามมาะจะเป็นอะไรเนา ะ, ะ, ะมีบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นว่าบางทีอาจจะไป ทำลายตับหรือทำลายไตอย่างเช่นบางคนกินยาแก้ปวดกินยาแก้ปวดแล้วก็แช่หายปวดแต่ว่าตายเอ่ยหรือตับเอ่ยนั้นก็ถูกทำลายด้วยทีนี้ในแง่ของคิวริงนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนอาการหรือเปลี่ยนความรู้สึกของคนนั้น แล้วก็บางทีการคีリングหรือรักษาอย่างนั้นจริงอยู่อาจจะเปลี่ยนอาการเปลี่ยนสภาพแต่ว่าบางทีต้นเหตเุของปัญหาก็ายังคงมีอยู่เกี่ยวกับการใช้ยาหรือวิธีการรักษาที่พอมอกเอาคนหนึ่งหนึ่งก็อาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องหรือในเงื่อนไขของชีวิตของบางคน เขาอาจจะไม่ต้องใช้ยาแต่เขาปรับสภาพของตัวเองอย่างเช่นว่าบางคนมีปัญหาเรื่องปวดหัวเขาเดื่มน้ำให้มากขึ้นหรือนอนให้มากขึ้นบางทีอาการปวดหัวก็อาจจะทุเลาลงโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารทดแทนหลายคนในอเมริกาโดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียง เ, เขาพยายามที่จะให้ตัวเองได้อย่างที่ตัวเองต้องการ ก็อาศัยย า, ามาเพื่อที่จะแก้ปัญหาของตนเองรู้จักไมค์คือแจ็กสันไหมครับเป็น เ, เขาเรียกว่า king of the pop ราชาเพลงป๊อปไมค์คือแจ็กสันเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อประมาณแปดปีที่แล้วด้วยหัวใจวายแต่นี้ก่อนไมคคือแจ็กสันจะหัวใจวายเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมี โปรแกรมสำคัญที่จะแสดงคอนเสิร์ตทั่วยุโรปหรืออาจจะทั่วอเมริกาเขาก็พยายามซ้อมซอมนะฮะแต่ก่อนซ้อมของเขารือซ้อมตอนตอนตอนหกข้าถึงกลางคืนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนกลางวันเขก็นอนทีนี้เมื่อใครที่ออกแรงเยอะเคยเห็นไหมคือแจ็คสันเตนไหมครับเขาเก่งผิดมนุษย์นะฮะเพราะว่าเขาสามารถที่จะ ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งคนทั่วไปอาจจะทําไม่ได้เขามีกล้ามเนื้อที่ดีเขามีบอลลามซี่ดีแต่ว่าใครที่โอเวอร์ฮิตหรือว่าคนที่ออกแรงเยอะเกินไปนะฮะเขาจะเหนื่อยแล้วก็เขาอยากนอนเขาอยากจะพักผ่อนแต่ว่าเมื่อเครื่องมันสูงสุดนะฮะจะพยายามนอนก็นอนลำบาก ทีนี้เมื่อตอนเองนั้นอยากจะนอนเพราะว่าเขาอย า, อยากจะมีแรงเพื่อที่จะมาเต้งต่อในวันวันวันรุ่งขึ้นใช่ไหมฮะเขาต้องต้องทำให้ตัวเองหลับเขาพูดกับหมอของเขาประจำหมอของเขาเนี่ยให้อะไรเขาเออรู้ไหมฮะไม่ใช่ยาอนหลับแต่เป็นยาสลบเวลาที่ผ่าตัดใช่ไหมฮะเขาจะให้ฉีดเข้าเส้นเลือดเพื่อที่ให้สลบที่คือแจ็คสันลับอย่างนั้น เข้ามาในโตเพื่อให้สงบเพื่อที่จะให้นอนแล้วก็หลังจากนั้นตื่นที่มาเพื่อจะไปเต้ดต่อแต่ปรากฏว่ามัน เ, เกินไปในที่สุดหัวใจรับไม่ได้ก็ เ, เลยหัวใจวายเสียชีวิตหมอคนนั้นถูกตั้งข้อหาฆ่าโดยไม่ฆ่าโดยไม่เจตนาหรือแมนชล็อตแล้วในที่สุดถูกสารตัดสินติดคุกสองปีแล้วต้องถูกปรบยอะแยะ ล้วก็ถูกลิบใบอนุญาตเสียอนาคตที่เป็นเช่นนั้นเพราะเนื่องจากว่าเมื่อคนคนหนึ่งไม่ทาตัวเองให้มันบาลานซ์ต้องการให้ได้อย่างที่ตัวเองเอต้องการแล้วก็อาศัยอย่างอื่นเข้ามาในที่สุดก็เสียชีวิตไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีเรื่องของเชื้อโรคที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้ใครตอกใครป่วย จึงมีความพยายามกำจัดเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็ดแบคทีเรียมีไวรัสมีเชื้อราหรือมีพยาธิหรือพลาไซส์แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยในแง่ของเชื้อโรคมีบางตัวที่เป็นเชื้อโรคที่ดีเป็นจุลินทรีย์ที่ดีที่ควรจะกินอย่างเช่นจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตนมเปรี้ยวทุกคนควรจะรับประทานเพราะช่วยในการย่อย ในการขับถ่ายแต่ต้องระวังโยเกิร์ตประเภทที่น้ำตาลสูงเพราะว่าถ้าหากว่ากินน้ำตาลเยอะๆน้ำตาลเป็นท็อกซิกที่มีผลเสียต่อสุขภาพของตนเองทีนี้ให้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับฮิล h ฮิแล์หรือฮิริงนั้นหรือความหมายของมันคือหายโรคหรือหายดีฮิลเป็นชนิดของคำที่เป็นทั้งหนวเป็นทั้งเวิร์บ และเป็น a d j e c t ปล่อยขั้งที่ความป่วยไข่ไม่ใช่เป็นเพราะถูกศัตรูเข้ามาโจมตีในร่างกายแต่เป็นเรื่องของภายในร่างกายของผู้นั้นขาดความสมดุลความสมดุลของสารที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบของร่างกายของคนคนหนึ่งหรือมีความผิดปกติของอวัยวะ การหายดีหรือหายโรคคือให้ร่างกายสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อสามารถใช้งานหรือเพื่อให้ดำรงชีวิตตามอัตภาพของตนเองต่อไปจากที่พูดเมื่อสักครูนนี้หากผู้ที่มีปัญหาเรื่องปวดหัวลองสำรวจ ด, ดูสิว่าตนเองเดื่มกาแฟมากขึ้นไปหรือเปล่าถ้าดื่มกาแฟมากไปนี้คุณจะเสียน้ำ แล้วเมื่อคุณเสียน้ำจะทำให้คุณปวดหัวแต่ถ้าหาว่าคุณเสริมเดิมน้ำไม่เพียงพออาการปวดหัวนั้นก็จะทุเลาหรือหายไปเลยหรือการปวดเขา่าปวดข้ออาจจะเป็นเนื่องจากที่ผมพูดไว้เมื่อก่อนหน้านี้ว่าผมสวมรองเท้าไม่ถูกสุกลักษณะของสรีระร่างกายของผมเองเออรู้จักบิออนเซ่ไหมครับบิออนเซ่นักร้องนักเต้น เขามักจะใส่ชุดบิกินี่ออกมาเต้นบิกินี่วันพีซแล้วก็ใส่ส้นสูงประมาณหกนิ้วตอนนี้บิองเซ่ตั้งท้องอ mm hmm. เขาก็หยุดออกมาร้องเพลงเต้นเ mm hmm. คยเห็นบ mm ิองเซ่เต้นไหม mm hmm. ผมดูแล้วหวาดเสียวไม่ใช่หวาดเสียวเพราะเขาใส่ชุดบิกินี่แ่ห <laughs> วาดเสียวในแง่ที่ว่าอีกไม่ช้าไม่นานล่ะเขาจะมีปัญหาเรื่องปวดหลัง ปวดหลังปวดเขา่าท่านสุภาพสตรีนะฮะท่านใส่ส้นสูงไม่ต้อง6นิ้วหรอก3นิ้วอ่ะแล้วลองเดินเดินธรรมดาเราไม่ต้องไปเต้นแบบอยองเซ่แล้วท่านจะรู้สึกอย่างไรทีนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราเราจะต้องให้อะไรๆที่เราเกี่ยวข้องนั้นอยู่ในลักษณะสมดุลกับสภาพรอสเรล่าของตนเอง ทีนี้เมื่อมาเกี่ยวข้องกับเรื่อง uh, healing healing หมายความว่าอะไร healing หมายถึงว่า healing is making whole หรือให้กลายเป็นสภาพดีหรือ well และสภาพดีหรือ well นั้นไม่ใช่ว่า completely well แต่ว่าให้ดีแบบครบองค์ที่สามารถที่จะกินได้ถ่ายได้ นอนหลับได้วันรุ่งขึ้นทำงานต่อไปได้ยังสามารถลุกขึ้นมาทำน้นทำนี่แม้ว่าตนเองอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ตามโดวยเฉพาะในเรื่องของความปวดที่ทำให้เกิดความอ่อนแอ น, นั้นหรือทำให้ตนเองไร้ความสามารถหรือไม่มีสมรรถภาพเราอาจจะยังคงนับว่า ดีแบบครบองค์แม้ว่ามีความปวดอยู่ถ้าหากว่าเราเข้าใจความหมายดังที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ว่าการมีชีวิตของคนคนหนึ่งที่สามารถฝังเช่นได้มันอยู่ที่อะไรอยู่ที่เขาสามารถรับกันได้กับสิ่งซึ่งเป็นตรงข้ามที่อยู่ในตัวของเขาเองเหมือนกับสิ่งที่เราเรียกว่าไซแอมิสทวิน หรือแฝดสยามรู้จักไซแอมิทแอมิสทวินไหมฮะฝากสยามซึ่งมีสองคนที่เนื้อติดกันสองคนมาจากเซลล์เดียวกันแต่ว่าสองคนนั้นมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันสองคนนี้สามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนอย่างคนทั่วไปแต่งงานได้มีลูกได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปด้วยกันได้หมดแม้ว่าจะติดกันทั้งสองนั้นได้จัดชีวิตของตนเอง เพื่อที่จะให้รับกันและเขาทั้งสองก็สามารถเทียบไปด้วยกันแม้ว่าเขาเป็นแฝดแต่ว่ามันมีความแตกต่างในกนและกันประเด็นสำคัญที่อยากจะให้เราพิจารณาว่าเราจะมีสภาพดีอย่างคร บ, คร บ, ค, รบครบองนั้นดังที่กล่าวไปไม่ใช่เป็นทัศนคทางแพทย์เพราะผมไม่ใช่แพทย์ แต่ผมจะมาชี้แจงโดยสิ่งซึ่งยืมจากอะไรบางอย่างที่คนอื่นก็พูดไว้ซึ่งผมคิดว่ามีเหตุมีผลที่ดีและมาพิจารณาตรวจสอบในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงนี้ก็คือว่าสิ่งซึ่งกล่าวถึงในพระคัมภีร์สามตอนที่ผมบอกไปเมื่อสักครูน่นี้มีเรื่องของอะไรมีเรื่องของหนึ่งความรู้สึกที่สามารถรู้สึกได้ หรือมีเรื่องของเซนซิบลนะฮะและอีกด้านหนึ่งมีความรู้สึกที่ไม่รู้สึกหรือว่าไม่รู้สึกหรือไม่สามารถรู้สึกได้หรืออินเซนซิบลซึ่งเป็นลักษณะของชาหรือนามคือไม่สามารถที่จะสั่งการได้ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องเรี้ยวข้องกับประสาทสัมผัสโดยตรงเพราะใน้างบีสามตอนที่เราจะพิจารณาร่วมกันนั้นหัวใจใหญ่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เซนส์หรืออยู่ที่ประสาทสัมผัสในแง่หนึ่งคืออินเซนซิเบลอีกแง่หนึ่งก็คือเซนซิเบลที่มันเกินไปซึ่งมาสแสดงออกในเรื่องอะไรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปวด มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะให้เราได้ยึดเป็นหลักการสำคัญของชีวิตของเราก็คือว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนนั้นอยู่ในสภาพที่เป็นแหล่งของพิษหรือมนุษย์เป็นผู้ที่สร้างพิษรับอะไรเข้ามาในในตนเองแม้ว่าเป็นของดีแต่เมื่อผ่านเข้ามาในตัวเอง สิ่งซึ่งออกไปนั้นก็กลายเป็นท็อกซิกหรือเป็นพิษทั้งสิ้นอย่างที่ผมพูดถึงบอกว่าองค์ประกอบของมนุษย์เราเนี่ยประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟผมอยากจะเรียนลาดั บ, บความสำคัญจากลมน้ำไฟแล้วก็ดินทำไมเอาลมเป็นอันดับแรกเพราะว่าถ้าหากว่าเราขาดลมหายใจเพียงไม่กี่นาทีเป็นยังไง เด็ดสมอเแต่ถ้าหากว่าเราขาดน้ำใช่เราอยู่หลายอยู่ได้ต่อไปหลายวันแต่ถ้าหากว่าขาดไปสักสั ก, ส ก, สกนานเท่าไรคุณหมอสักเจ็ดวันมึงเด็ดสมอเลเหมือนกันไฟขาดพลังงานนะฮะเราทำอะไรไม่ได้และดินดินก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสภาพของร่างกายเอาว่าบางส่วนเนี่ยมันไม่ฟังก์ชั่นอีกไม่นานแล้วอาจจะอยู่ได้เป็นปีแต่ในที่สุด เราก็เตทสมอริทีนี้ที่ผมพูดบอกว่าเราเป็นแหล่งของพิษหรือว่ามีความเป็นพิษในตัวเราอะไรก็แล้วแต่เมื่อเข้ามาถึงเราไม่ว่าจะเป็นลมไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นดินเมื่อผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยออกไปล้วนแต่เป็นท็อกซิกล้วนแต่เป็นพิษทั้งสิ้นทีนี้สิ่งนี้ไม่ใช่เป็นผมเป็นเป็นเรื่องที่ผมกล่าว ผมเอามาจากที่ไหนในพระคัมภีร์ผมเอามาจากในพระธรรมที่พระเยซูได้ตรัสถึงซึ่งอยู่ในพระธรรมมราระโกบทที่เจ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ยี่บสามถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์นะเปิดไปดูพระเยซูได้กล่าวถึงความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างพิษสร้างพิษขอับเปิดดูนะฮะในมราระโกะบทที่เจ็ด โดยเฉพาะเราจะดูจากในข้อที่ข้อที่สิบแปดต้นไปพระสุตรัตอย่างนี้พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าแม้แต่พวกท่านก็ยังไม่เข้าใจหรือพวกท่านไม่เห็นหรือว่าไม่มีสิ่งใดจาก ภายนอกน่ะภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์แล้วจะทำให้มนุษย์เป็นมลทินไม่มีอะไรภายนอกที่เข้ามาในชีวิตของของใคร เ, เป็นสิ่งซึ่งเป็นมนทินแต่เมื่อเข้าไปในตัวแล้วเป็นยังไงเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้เข้าไปในใจแต่ลงไปในท้อง แล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไปมพี่ยิสูไม่ได้พูดอะไรที่มันรู้สึกหยาบคายแต่เป็นความชิงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ดีแค่ไหนเนี่ยเข้ามาแล้วในที่สุดพอตอนออกไปก็กลายเป็นอะไรที่จะต้องอยู่ที่ส้วมนะฮะม้นเม้นสกปรกแล้วพี่ยซูก็พูดต่อไปบอกว่าพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์นั่นแหละ ที่ทำให้มนุษย์เป็นมนทถิ่นเพราะว่าจากภายในมนุษย์หรือจากใจของมนุษย์นั่นแหละที่ความคิดชั่วร้ายเกิดขึ้นมาคือการล่วงประเวณีการลักกโมยการฆ่าคนการเป็นชู้การโลภการอาธรรมการล่อลวงราคาตัญหาการอิจฉาการใส่ร้าย ความยุดหยิ่นความเขา่าสารพัดความชั่วเหล่านี้มาจากภายในทําให้มนุษย์เป็นมนตินทําไมพระเยซูต้องกล่าวในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นความจริงของมนุษย์หากว่าดูพระคัมภีรก่อนหน้านั้น พ, พระเยซูกําลังพิชิญกับพวกฟาริสีที่มาต่อว่าพระเยซูว่าทำไมไม่ได้ให้สาวกทําพิธีล้างมือก่อนรับประทานอาหารการ ทำพิธีล้างมือก่อนรับประทานอาหารของคนยิวที่ยึดถือตาม tradition นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของไฮิจินหรือว่าเป็นเรื่องของการทำความสะอาดแต่เป็นเรื่องของพิธีกรรมบางอย่างที่ทำแล้วการทำพิธีอย่างนั้นเนี่ยทำให้คนอื่นเห็นว่าคนคนนั้นที่ทำพิธีเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีมนทีนเป็นผู้ที่มีความชอบธรร คุณนศาสนาฟรรีปีเนี่ถ้าจะว่าไปเนี่ยเขาอยากจะอยากจะดัดจริตอยากจะดัดจริตก็คืออยากจะแสดงตัวให้คนอื่นเห็นว่าตนเองนั้นมีภายนอกที่สวยงามพระเยซูประนามพวกนั้นตามที่เก่าในพระธรรมแมทธิวบที่สามว่าพวกคุณเป็นใครพวกคุณเป็นอุโมงค์ฝังศพที่ข้างในนี่เป็นยังไงเน่าเหม็นและข้างนอกฉาบด้วยปูนที่สวยงาม เริะีอยากที่จะแสดงตนให้คนอื่นเข้าใจว่าเขาชอบทำแต่ภายในก็คือเป็นสิ่งซึ่งมีพิษอยู่ในตนเองมากมายและอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาแม้ว่าของดีเข้ามาแล้วออกไปก็รวนแต่ท็อกซิกหรือรวนแต่ของเสียทั้งสิน้นถ้าสมมุติว่า เราเข้าใจประเด็นนี้นะฮะดังที่กล่าวไปหนึ่งเราดีเราดีแบบครบองค์ไม่ต้องมาในลักษณะที่ท้วนเต็มรอยแต่เราอยู่ในฐานะที่สามารถฟังช่นได้แล้วอย่างที่สองก็คือเราจะมาจาัด ก, การกับชีวิตของเราที่เป็นแหล่งของท็อกซิในตัวเองเราจะรู้เราจะรู้เราเราจะ หายใจเราจะให้สิ่งเข้ามาแล้วออกไปในสิ่งที่จะทําให้สุขภาพของเราดีกว่าอย่างตอนเช้าที่ผมพูดถึงว่าการร้องเพลงการร้องเพลงก็เป็นสิ่งที่ช่วยทําให้คนได้มีโอกาสระบายท็อกซิกทั้งในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองออกไปทีนี้ในเรื่องที่ผมอยากให้เราพิจารณาต่อมาก็คือ เราจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำซึ่งเก่าไว้ในพระคัมภีร์ยอนบทที่ห้าซึ่งมีคนหนึ่งที่มีปัญหาป่วยดย้วยป่วยเป็นง่อยอยู่สามสิบแปดปีนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่ให้เราทั้งหลายพิจารณากันในวันนี้ขอเปิดไปที่พระธรรมยอนบทที่ห้าผมจะไม่อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้จนหมด เพียงแต่จะชี้ประเด็นเที่พระคัมภีร์ตอนนี้ที่ได้พูดถึงก็คือในพระคัมภีร์ตอนนี้เราพบว่ามีคนจํานวนมากมีความพิการและความพิการของความมากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเซนส์หรือประสาทสัมผัสคือมีความผิดปกติก็คือพระคัมภีเก่าวถึงว่ามีคนตาบอดง่อยอมมาพาัดมานอนรอ ขอความช่วยเหลือจากสิ่งหนึ่งที่มีความจำกัดอย่างยิ่งก็คือรอให้น้ำกระเพื่มแล้วเมื่อมีน้ำกระเพื่มเขาจะกระโดดลงไปแล้วก็การทำแบบนั้นอาจจะทำให้เขาหายป่วยหรือพูดง่ายๆว่าเขาใช้วารีบำบัดเรื่องน้ำในสายตาของคนทั่วไปก็เห็นว่า เป็นหัวใจสำคัญในแง่ของการรักษาได้คุณปวดข้อคุณไป อ, อ, อยู่ในน้ำปั่นที่เป็นน้ำแร่บางทีอาจจะทุเลาความปวดหรือถ้าหากว่าคุณให้น้ำเข้ามาในร่างกายของคุณอย่างพอเหมาะจะทำให้สดชื่นทำให้คุณมีความแจ่มใสหรือคุณเอาน้ำ มาเพื่อที่จะมาชำระร่างกายซึ่งเป็นน้ำที่ดีไม่มีสารผล เ, เพื่อนก็จะทำให้ผิวของคุณสวยงามไม่ทราบในที่นี้มีใครชอบดูการประกวด Miss Universe, มิสยูนิเวอร์สไหมครับนางสาวจั ก, กรวาลในสถิติ ของผู้ที่ได้รางวัลเป็นมิสอุนิเวอร์สในอเมริกาไม่ค่อยมีปรากฏว่าฝรั่งที่เติบโตขึ้นมาในเซาท์เทนแคลิฟอร์เนียซึ่งผมอาศัยอยู่หรือในแถบลอสแอนเจลิสได้รับการประกาศว่าเป็นมิสอุนิเวอร์สผู้ง่ายผิวก็ไม่สวย แต่ที่ไม่สวยเพราะอะไรเพราะว่าน้ำในซาวด์เดนแคลิฟอร์เนียนั้นมาจากไหนอาจจะมาจากหิมะที่ตกที่ภูขเขาหรืออาจจะฝนที่ตกลงมาแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆตามแม่นม้ำแล้วน้ำที่ไหลมาก็าต้องผ่านหินปูนต้องผ่านหลายต่อหลายอย่างแล้วน้ำ ม, มันก็เก็บเอาสารต่างๆอยู่ในน้ำ แล้วคนที่อยู่ตรงส่วนใต้เนี่ยมาใช้น้ำเขาก็มีปัญหาหลายอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณไปที่ลอสแอนเจลิสนะฮะแล้วคุณมีบ้านแล้วคุณมีรถยนต์แล้วคุณเอาน้าประปาเนี่ยล้างรถแล้วถ้าหากว่าคุณไม่เช็ดรถมันจะมีคราบแคลเซียมเกาะที่รถหรือถ้าหากว่าคุณอาบน้ำแล้วถ้าหากว่ามันเป็นชา้วเวอร์ที่เป็นกระจนะฮะ ถ้าคุณไม่เช็ดน้ำอีกหน่อยมันก็เป็นเป็นฝ้าหรือถ้าหาว่าคุณใช้กอกน้ำบางทีสามปี 3, 4ีปีคุณต้องเปลี่ยนกอกน้ำเพราะอะไรเพราะแคลเซียมไปเกาะที่กอกน้ำจนคุณเปิดปิดไม่ได้นะฮะสาวที่อยู่ที่ซาเตอร์แคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาอาบน้ำที่มีสารฝนปนเปื้อนที่เป็นแคลเซียม ยิ่สารแคลเซียมนั้นไม่ทำให้ผิวเนียนแต่อย่างไงก็ตามเรามีเสาไทยอายุสองขวบที่ไปโตที่ลอสแอนเจลิสที่ชื่อน้องฝุ่ยอนทิพใช่ไหมครับเสาไทยเนี่ยไปกู้หน้าสาวที่แคลิฟอร์เนียฝุ่ยได้รับเลือกเป็น Uh, Miss หากคุณอยู่ที่ต้นน้ำที่เขื่อนยันฮีซึ่งใกล้ธรรมชาติคุณจะมีลักษณะชีวิตและมีผิวพันที่แตกต่างไปจากยันฮีอีกที่หนึ่งที่อยู่ปลายทางเพราะว่ายันฮีอีกที่หนึ่งไม่ใช่สวยแบบธรรมชาติแต่สวยแบบพลาสติกนะฮะมันแตกต่างกัน ทีนี้เรื่องของน้ำก็มีส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการที่จะเสริมสุขภาพตัวเองถ้าหากว่าหลักการที่คุณจะยึดในแง่ที่ว่าน้ำที่เข้ามาในชีวิตของตนเองอย่างพอเหมาะ ก, ก็จะเสริมให้มีสุขภาพเพราะร่างกายของเรานั้นองค์ประกอบเป็นน้ำมากกว่า75เปอร์เซ็น์หากคุณใส่ใจเรื่องเรื่องน้ำคุณจะมีชีวิต ที่สามารถดีอย่างครบองค์ที่จะมีชีวิตที่ฟังก์ชั่นหรือทำหน้าที่ได้ล้าเรากลับมาดูที่พระกัมพีนี่นะฮะได้กล่าวถึงชายคนหนึ่งซึ่งนอนป่วย อ, อ, อยู่ที่นั่นพระกัมพีบอกว่าคนคนนี้เป็นง่อยง่อยอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นอามาัอามาพาตอัมพาตที่หลังหรืออาจจะง่อยตั้งแต่กำเนิดคือขาไม่สามารถที่จะใช้งานได้แต่เขาเรอคอย ว่าจะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าน้ากระเพื่อมที่ตรงนั้นแล้วเขาจะโดดลงไปแต่เราพบว่าตลอด38ปีที่เขามีความหวังว่าจะได้รับการรักษาแต่ความหวังเขาช่างน้อยนิดเหลือเกินเพราะอะไรเพราะว่าแม้ว่าเขาอยากแต่เขาขาดโอกาสหรือเมื่อเขามีโอกาสเห็นน้ำกาลังกระเพื่อม แต่มีคนอื่นเนี่ยแย่งกระโดลงไปก่อนแล้วเขาก็ไม่มีใครช่วยเหลือหรือเขาอาจจะถูกขัดขวางแต่แล้วพระวันในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชายคนนี้พระเยซูได้ถามถามคนนี้อยากอยากจะหายโรคไหมอยากจะเป็นปกติไหมคนคนนี้ก็บอกว่าอยาก แล้วในที่สุดพระเยซูเพียงแต่ั่งจงลุกขึ้นยกที่นอนเดินไปเถิดแล้วชายคนนั้นก็หายโรคทันทีแล้วเขาก็ยกที่นอนเดินไปแต่เราพบว่าจากวามบีตอนนี้ในสภาพที่ดีอย่างคบองค์ของคนนี้เขาต้องเผชิญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกสามอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญและอาจจะเป็นปัญหาหนักหนากว่าก่อนหน้านี้ซอีก คืออย่างที่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสภายหลังก็ว่าอย่าทําบาปอย่าทาบาปชีวิตของคุณนั่นที่จะมีต่อไปข้างหน้าต้องเป็นชีวิตที่ไม่ทําบาปและประการที่สองที่เขาจะต้องเผชิญก็คื อ, อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการถือวันสะบาโตสะบาโตเนี่ยจริงๆแม้ว่ามาจากในพระบัญญัติข้อหนึ่งที่พระเจ้าได้สั่งให้ชนชาติยิสเซลถือวันสะบาโต แต่ไม่มีคําถามที่คนยิวมีคําถามว่าถ้าหากว่าจะถือวันสะบาโตต้องถืออย่างไรในพระคัมภีร์ไม่มีตอนไหนนะฮะที่อธิบายว่าถ้าหากว่าจะถือวันสะบาโตต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นในพระคัมภีร์เ พ, พียงแต่ว่าเมื่อมาถึงวันสะบาโตก็คือตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกตินของเย็นวันวันศุกร์จนกระทั่งถึงพระอาทิตย์ตกดินของเย็นวันเสาร์นั้นนี่คือช่วงวันสะบาโตนะฮะในช่วงนี้ อย่าทำงานนะฮะต้อง r ล s กต้องพักผ่อนทีนี้ในบัญญัติต่างๆหลายต่อหลายข้อหรือว่าในข้อที่ว่าคนคนนี้เนี่ยยกแค่แล้วเดินไปเนี่ยทำไมถูกเขาเก่าหาว่าละเมิดวันสบาโตเพราะยกแค่เนี่ยมันไม่ได้อะไรเกี่ยวข้องอะไรกับทำงานเลยอะ่ะใช่ไหมฮะแต่เหตุที่หลายคนได้ตำหนิคนคนนี้ว่าฝ่าฟื้น ระเบียบหรือครอบบางครังวันสบาโตเป็นเพราะเนื่องจากว่าในอดีตมีพวกรับปีซึ่งเขาก็มีคำถามว่าหากถือวันสบาโตจะถือวันสร บ, บาโตอย่างไรแลเรื่องอะไรที่จะต้องอหยุดไม่ให้ทำงานเขาก็เปิดดูในพระคำพีก็ไปในพระธรรมตอนหนึ่ง ซึ่งเก่าไว้ในอบยบบทที่สามสิบห้าถึงบทที่สามสิบแปดซึ่งเป็นเรื่องอะไรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระวิหารแล้วในพระกัมพีตอนนั้นบอกว่าเมื่อมาถึงวันสบาโตให้หยุดหยุดทำการก่อสร้างหยุดทำงานทีนี้บรรดานักคิดทั้งหลายลอบบีทั้งหลายเนี่ยเขาก็เอามาย่ อ, ยอ้ถ้าหากว่าเราต้องหยุดการทำงานหรือก่อสร้างพระวิหารเขาก็มาตีความตีความนะฮะว่า อะไรบ้างละ่ะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือการทำงานในพระวิหารต้องหยุดหมดในที่สุดก็ได้สรุปว่ามีข้อห้าม39ประการซึ่งในที่สุดพวกลับบีได้บัญญัติว่าประการต่างๆเหล่านี้มันเกี่ยวข้องตามที่กล่าวไว้ว่าให้หยุดในวันสะบาโตอย่างเช่นหนึ่งห้ามหวาน ทำไมเขาบอกว่าห้ามหวานหวานพืชเนี่ยก็เพราะเนื่องจากว่ า, าคนที่มาสร้างาพระพราจะต้องกินใช่ไหมฮะห้ามหวานก็คืออย่าปลูกพืชมีเรื่องเกี่ยวกับ ว, ว่าห้ามไถานาห้ามเก็บเกี่ยวห้ามอบขนมปังห้ามทอผ้าห้ามซับผ้าห้ามเขียนอักษรเกินกว่าสองคำหรือลบอักษรเกินกว่าสองคำ ห้ามจุดไฟเมื wa, e ni, ờ, ường, ่อจุดไฟแล้วห้ามดับไฟห้ามยักของในที่สาธารณะเป็นต้นแล้วก็ได้กำหนดว่าระยะทางที่จะต้องที่จะไม่เดินเกินกว่าแล้วก็ไม่ถือว่าวันสบาโตก็คือว่าจากเส้นทางนี้ทึ่งเดิมไปถึงพระวิหารไปกลับยาวเท่าไหร่เขาก็เลยกำหนดว่าในวันสบาโตห้ามเดินไกลกว่าเท่านันทงนี้ ในเรื่องอย่างนี้พระเจ้ากำหนดไหมไม่ใช่มาจากใครมาจากการตีความของผู้นาศาสนาทึ่มาจากเรียกว่าเชติชียนของเขาทีนี้เมื่อมีการยึดอย่างนั้นทำไปทำมาเลยในที่สุดสิ่งซึ่งมนุษย์ได้ยึดเป็นลักษณะเชติชียนกลายเป็นกลายเป็นข้อบังคับที่บอกว่าใครที่ละเมิดในสามข้อนี้สาเกข้อเท่ากับว่าเขาละเมิดพระบัญญัติเกี่ยวกับการเถอบาลสบาโต ทีนี้พระเยซูได้เข้ามาแล้วก็มีการชี้แจงอธิบายหลายคนไม่พอใจพระเยซูโดยเฉพาะผู้นำศาสนาพระเยซูได้กล่าวถึงบอกว่าพระองค์น่เป็นเจ้าเหนือวันสะบาโตแล้ววันสะบาโตคือเป็นวันที่หยุดพักแต่วันสะบาโตเป็นเวลาที่เราทั้งหลายจะประกอบการดีด้วยนะครับ ในเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับว่าภายหลังต่อมาเมื่อพ้นจากในสภาพที่ไม่สามารถมีสัมผัสได้เขาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับอะไรคือหนึ่งอย่าทาบาปสองเขาจะต้องใช้ชีวิตที่ติดตามองค์พระเยซูในลักษณะที่เขาเชื่อองค์พระเยซูประการต่อมา ในเรื่องที่สองที่อยากใช้พี่น้องได้พิจารณาดูก็คือจากในลูกกาบที่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบเก้าซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเซนซิ b บ e ด้วยด้วยเหมือนกันมีเรื่องของคนที่เป็นโรคเรือนรู้จักโรคเรือนไหมครับในทุกวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้ว่าโรคเลือนเป็นยังไงเพราะว่าโรคเลือนได้หมดหายไปจากในประเทศไทยนี่นานทีเดียว ไม่มีคนป่วยเป็นโรคเรื้อนเพราะอะไรเดี๋ยวนี้มียารักษาได้ปัญหาของโรคเรื้อนคืออะไรปัญหาของโรคเรื้อนก็คือว่าเส้นประสาทถูกทำลายแล้วไม่สามารถที่จะรู้สัมผัสได้เวลาที่เป็นโรคเรื้อนไปถูกไฟไม่รู้สึกตัวเพราะไม่มีเซนส์ที่จะบอกตัวเองหรือไปถูกเย็นก็ไม่รู้สุขรู้สึกอะไร หลายคนเป็นโรคเรื้อนแล้วน่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพบางทีไปถูกของโคมหรือไปถูกร้อนถูกเย็นนี่เขาไม่รู้สึกตัวเลยทําให้เกิดแผลผุ พ, พองแล้วก็ในแง่ของโรคเรื้อนนี้ในอีกแง่หนึ่งก็คือเป็นโรคผิวหนังนะฮะโรคเลื้อนโรคผิวหนังเนี่ยพระเจ้าสร้างระบบในร่างกายที่เราสามารถที่จะหายด้วยตัวของตนเอง ทีนี้วิธีการของคนในการกอนก็คือว่าเมื่อใครก็แล้วแต่มีอาการของโรคเรื้อนเขาจะกันคนนั้นออกไปไปอยู่ในอีกที่หนึ่งแล้วร่างกายเราจะมีการคีริงหรือคีริในตัวของมันเองและเมื่อแผลต่างๆหายเขาก็สามารถที่จะมาเข้ามาอยู่ในสังคมโดยที่ให้พวกโูรหิตนั้นตรวจสอบหรือ inspect ก่อน ในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึง เ, เรื่องของชายที่เป็นโรคเรื้อนสิบคนที่ถูกแยกโตออกไปแล้วพวกเขาเมื่อเห็น พ, พระเยซูพวกเขารู้ว่าพวกเขารู้ว่าพระเยซูสามารถช่วยเขาได้ในพระกัมภีร์ได้กล่าวว่าพวกเขาได้ร้องเสียงดังเยซูนายเจ้าขา้าเมตตาขา้าโปรดเมตตาเราเถิดคือคนที่มีปัญหาสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับชีวิตของคนนั้นคือร้องขอร้องขอใครร้องขอพระเจ้าแล้วสิ่งซึ่งตามมาก็คือว่าพระเจ้าจะทรงช่วยจะทรงมีพระคุณต่อคนนั้นเราพบว่าสิบคนที่ร้องขอพระเยซูเขาบอกเขาก็ได้ยินพระเยซูเพียงแต่บอกว่าจงไปไราย ง, งานตัวที่โปรหิตเพื่ออะไร เพื่อให้โปรหิตตรวจสอบหรือโปรหิตเป็นอินสเปคเตอร์ว่าคุณอยู่ในลักษณะที่หายดีพอควรเข้ากลับเข้าสังคมได้ขณะที่สิบคนกำลังเดินไปหาโปรหิตเพื่อที่เขาจะกลับคืนในชีวิตปกติในสังคมของเขานั้นก็มีคนหนึ่งซึ่งเป็นสมารียเมื่อเขารู้ตัวว่าเขาเริ่มหายสะหายสะนะฮะ แทนที่เขาจะไปให้บริหิตตรวจสอบเพื่อที่เขาจะได้ตาพาทับว่าเขาอยู่เขาเข้าในสังคมได้เนี่ยในพระคัพี์บอกว่าเขาหันกลับมาหาพี่เยซูพระคัพีพ่บอกว่าคนคนนี้เป็นสมาเรียเขากลับมาหาพี่เยซูเพื่ออะไรเพื่อขอบพระคุณ หลังจากที่เขามาหาพี่เยซูพี่เยซูก็แปลกใจว่าเอาคนอื่นทำไมไม่มามีแต่คนสมาเรียคนนี้เหรอแล้วในที่สุดพระองค์ก็ตรัสกับคนคนนี้ว่าจงลุกขึ้นและไปเถิด rise and go your way your way your way ไม่ต้องไปหาปโรหิตอีกแล้วเพราะอะไรเพราะพี่เยซูนั้นทำให้เขาอยู่ในลักษณะอะไร make you well อยู่ในลักษณะที่หายปกติบางทีคนนี้อาจจะก่อนหน้านั้นก็มีอาการบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับโรคเรื้อนแต่พระเยซูได้บอกคนนี้หลังจากที่เขากลับมาหาเพื่อขอบพระคุณสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ได้ทําให้เขาหายเป็นปกติเขาไม่มีร่องรอยเออของการเป็นคนป่วยไข้อะไรอีกว่คุณของพระเยซู ได้เข้ามาในชีวิตของคนนั้นเพราะคนนั้นรู้จักมาขอบพระคุณรู้จักกลับมาสรรเสริญพระเจ้าที่นี่ในประการที่สามจากพระธรรมหนึ่งโครินธ์บที่สิบสองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบเปิดดูวนในพระอภมพีตอนนี้เป็นเรื่องของเปาโลเปาโล บ, บอกว่าเขาเคยมีประสบการณ์ที่ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นที่สามจริงอยู่เปาโลไม่ได้พูด ช, ะชะ้าๆแบบ ต, ต, ต, ตเขาแต่เราพออ่านแล้วเราก็รู้ว่า คนที่เปาโลพูดถึงคือตนเองเ้ามีประสบการณ์ที่สงสงนะฮะแต่จากประสบการณ์สงสงนะพระเจ้าได้ทำให้เปาโลนั้นมีน้ำแล้วก็เปาโลมีความเจ็บปวดได้ร้องขอพระเจ้าสามครั้งแต่รู้สึกว่าความเจ็บปวดนั้นก็ไม่หายไปหรือน้ำยังคงมีอยู่ในชีวิตของเขาและน้ำนี่เองทำให้ท่านอ่อนกำลัง เ, เราปวดเราคงไม่สนุกกับอะไรที่ปวดใช่ไหมฮะ มันทำให้เราไม่สามารถที่จะฟังชั่นหรือไม่สามารถที่จะมีชีวิตปกติได้นอนไม่หลับทำอะไรก็ไม่ได้เราก็หงุดหงิดล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนี้แย่มากเปาโลขอสามครั้งแต่ปรากฏว่าหนามนั้นยังคงมีอยู่ท่านมีความปวดและท่านอ่อนกำลังทีนี้มีคำถามมีคำถามเคยคิดไหมว่า น้ำที่เปาโลพูดถึงนี่คืออะไรเคยรู้ไหมว่าอะไรคือน้ำของเปาโลมีใครทราบบ้างลองเดาดูน้ำของเปาโลเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่เรามีเขาเลยมีหินมีคำบอกกล่าวของเปาโลที่มักจะพูดอะไรอ้อมๆเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ อย่างเช่นเขาพูดอ้อมๆว่าแทนที่เขาจะเอ่ยถึงว่าตัวเองเนี่ยไปสวรเอนได้ไปพบกับพระเจ้าก่อนที่จะตายจากโรงนี้ไปแต่พูดอ้อมๆเพื่อที่ให้รู้วเป็นเขาและเปาโลได้พูดอ้อมๆที่จะให้รู้ว่าน้ํานั้นคืออะไรเปาโลเก่าวที่ตรงไหนมีพระคัมภีร์ไหมมีใครอยากจะแสดงความเห็นบ้างในข้อที่เก้าข้อที่เก้า ลองอ่านสิในข้อที่เก้าว่าอย่างไรอสองโครินธ์บทที่สิบสองข้อที่เก้าเปาโลได้สรุปอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นเพื่อว่าลิเตธของข้าพเจ้าของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเขาจึงมีความ ด, ดีในเรื่องอะไรบ้าง ในข้อที่สิบนี่คือหนามของเปาโลซึ่งมีห้าประการด้วยกันข้อที่สีบอกว่าเพราะฉะนั้นเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคิดข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอหนึ่งสองการถูกย่อเย้ยต่างๆสามในความลำบาก 4. ในการถูกข่มเหงห้า ในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าข้าพเจ้าอา่อนแนเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อ น, นั้นนาของเปาโลนี่คือห้าเรื่องนี้และเราทั้งหลายก็อาจจะมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดเพราะเรื่องจากห้าประการนี้หรืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่าสองหรือสามประการคพราะอ่อนเนีก็เกี่ยวกับโศภาพของเราเองที่เราขาดกำลังเราป่วย ลักษณะอย่างนี้คือนามในชีวิตของตนเองอย่างที่สองก็คือพูดถึงว่าถูกย่อเยอ้ยเวลาถูกย่อเยอยเป็นยังไงรู้สึกถูกเหยียดหยามรู้สึกเสียเกียรติเป็นอารมณ์ความรู้สึกของตนเองคือเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีคุณค่าการย่อเยยหรือการที่ถูกคนอื่นดูถูก บางทีเป็นนามที่ทิ่มแทงในชีวิตจิตใจของตนเองและมีเรื่องอะไรอีกร่อง ค, ความลำบากเราทำงานหนักแล้วเราลำบากเรามีชีวิตที่ hard หรือมี hardship ในชีวิตของเราเองเราอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อทำงานให้สำเร็จเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้เงินเพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัว เรามีความลำบากในชีวิตของตนเองในประการที่สี่ถูกคมเหงถูกข่มเหงเป็นยังไงถูกข่มเหงก็คือว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ไม่ดีแต่ว่ามีคนมาหาเรื่องมาคมเหงเราอยู่ดีๆมีก้อนหินปาเข้ามาที่หลังคาบ้านเราหรือว่าอยู่ดีๆมีคนมาทำร้ายเรามีคมเหงเรานะฮะ persecution คือคนดีถูก การกระทำที่เลวร้ายที่ทำให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ไม่ดมีคือลักษณะที่เราดีแต่ถูกขมเหงถูกลังแกลแลวประการที่ห้าก็าคืออะไรเหตุวิบัติต่างๆอาจจะมีปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวเป็นเกี่ยวข้องกับน้ําท่วมเกี่ยวข้องกับความไม่สะดวกปัญหาต่างๆทางภัยธรรมชาติ สิ่งซึ่งเป็นวิบัติที่เกิดขึ้นสึนามิหลายสิ่งหลายอย่างประเทศไทยยังต้องขอบพระคุณพระเจ้าที่ว่าภัยธรรมชาติมีน้อยมากถ้าหากว่าเปรียบเทียบอาตาัตราสัดส่วนแต่ในหลายที่หลายแห่งมีเหตุวิบัติเกิดขึ้นมันเป็นน้าที่ทิ่มแทงชีวิตของตนเองในสิ่งต่างๆเหล่านี้เปาโลบอกว่าอย่างไงเปาโลบอกว่า สิ่งซึ่งเป็นหนามนั้นที่ทำให้ท่านอ่อนแอนั้นกลับกลายเป็นโอกาสหรือกลับกลายเป็นชั้นชรงหรือกลับกลายเป็นเทอร์มินรลที่พระคุณของพระเจ้าหรือฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของผู้นั้นของของเปาโลหรือตัวของเขาเองจะมีโอกาสรับประสบการณ์ในพระกำลังหรือในพระคุณของพระเจ้า แต่นั้นในแง่ของเปาโลเองท่านจึงพูดอย่างนี้ตามที่กล่าวไว้ออ่ในข้อที่กลาว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอนี่เป็นคําตรัสจากพระเจ้าสําหรับเปาโลเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนลิทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่นั่นเพราะฉะนั้นเปาโลสรุปยังไงพระเจ้า จะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าอ่อนแอข้าพเจ้าก็จะได้รับฤทธานุภาพของข้าพเจ้ามากเท่านั้นยิ่งอ่อนแอยิ่งได้รับการเสริมกําลังได้รับพระคุณขององค์พระเยสุผิดเจ้า เราเห็นด้วยไหมในแง่ที่ว่าเราสามารถที่จะมีชีวิตที่เราดีอย่างครบองค์ในลักษณะที่ว่าบางทีเรายังไม่ได้อยู่ลลักษณะที่สมประกอบมีชีวิตที่ขาดขาดเกินเกินมีชีวิตที่เหมือนกับว่ายังไม่ดีเพียงพอแต่เราสามารถฟัง์ชั่นได้และเรื่องที่สําคัญที่สุดคืออะไร เรามีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์สามารถเข้ามากระทำการในคนง่อยให้เดินได้แต่ว่าแม้ว่าต้องเผชิญปัญหาบางอย่างตามมาแต่ก็มีชีวิตที่ดีอย่างคบองค์ได้เราสามารถที่จะ ก, กลับมาหาออและขอบพระคุณพระเยซูและพระองค์ก็ทาให้ดีกว่าเดิมและสุดท้ายก็คือในชีวิตที่อ่อนแอพระคุณของพระเจ้าก็มีมากในชีวิตของคนนั้น ไประเด็นําคัญมาอยู่ตรงนี้ก็คือสิ่งซึ่งเป็นพระคุณสิ่งซึ่งเป็นลิธานุภาพของพระคิดนั้นจะหลั่งไหลมายังวิบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ที่มีประสบการณ์ที่ไม่สมประกอบเพราะอะไรเพราะพระเจ้ามีพระประสงค์มีความตั้งใจว่าพระองค์จะใช้สิ่งซึ่งไม่สมประกอบนี่แหละให้คุณมีคนที่เตินได้คุณมีคนที่หายสะอาด คุณเป็นคนที่สามารถที่จะฟังชั่นต่อไปแม้ว่าคุณมีความปวดนะฮะที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรพระเจ้ารักเราพระเจ้ามีาพระประสองค์อันดีเลิศในชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนจึงหวังอย่างยิ่งในบ่ายวันนี้ที่เราทั้งหลายจะเรียนรู้สิ่งสําคัญที่เกี่ยวข้องออกับสุขภาพก็คือให้เรามีชีวิตที่ดีอย่างครบองค์ครบองค์ที่สามารถ ที่จะทำงานทำการฟัง์ชั่นได้แม้ว่ามีเรื่องของเซนซิเบลที่เกินไปหรืออินเซนซิเบลการสัมผัสที่สัมผัสผิดปกติหรือการไม่มีการสัมผัสรู้สึกไดมีการปวดจนเกินไปหรืออาจจะเป็นคนที่ยุนลักษณะที่ชาในชีวิตของตน ให้พระคุณของพระองค์นั้นเข้ามากระทำการในชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพร